ถ้าหากว่าเราขาดปัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนคนยากที่สุดอ่ะอันรัฐบาลกล่าวว่าปัญญาเนี่ยประเสริฐที่สุดประเสริฐกว่าทรัพย์มากมายมหาศาลมันถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะมองอะไรแล้วให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ชั้นที่สุดแม้แต่กรรมสกกตาปัญญาเราก็เป็นคนอนาถาที่สุดเลย เพราะถ้าเราไม่มีปัญญาพอที่จะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมมีหรือที่เราคิดจะเตรียมสเสบียงยใช่ไหมเราก็ไม่มีปัญญาพอที่จะคิดว่าเอ้อะไรเป็นสาระต่อไปข้างหน้าเราก็จะมองไม่เห็นเลยนะอะไรคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็ไปก่อนเราไปตั้งเยอะแล้ว น, น, ลน้องๆลันลนับนี่ก็ไปทั้งหลายคนแล้วแล้วเราจะอยู่อีกนานไหมนู่อยู่ไปทําไมนะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ย วันนี้ก็ปรรบถึงรูปประขันว่ารูปประขันนี้มีสมุทฐานใหญ่ๆแล้วมีสี่สมุทฐานทั้งกรรมทั้งจิตทั้งอุตุและอาหารในรูปประขันเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่มีความเข้าใจพิจารณารูปยี่สิบแปดภายในร่างกายนี้มากๆนะไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ย น, นะอันในผมนี่ก็มีรูป เรียกว่า44รูปในเล็บก็มี44รูปในฟันก็มี44รูปหนังก็มี44รูปนะเนื้อก็44รูปนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในส่วนของข้างบนศีรษะหน่อยมันก็เพิ่มทางตาก็มีจักรคุป萨ทารูปนะมีโสตระสารูปมีคานาระสารูปมีชิวหาระสารูปนะแล้วก็มีกายกายยะ菩萨ทารูปอยู่ด้วย ในรูปต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีสมุธฐานทั้งสี่อย่างเลยทั้งกรรมด้วยจิตด้วยอุตอ ด, ด้วยและอาหารด้วยในสมุธฐานทั้งสี่เนี่ยนะกรรมที่ที่มาจัดสรรให้เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยกรรมกี่อย่างเนีใช่ั้ยกรรมนั้นมาจากกุศลแล้วกุศลเหล่านั้นก็ยังมีกุศลบางอย่างมาอุปธรรมอีก กว่ากรรมอุปธรรมกรรมอ่ะกรรมที่เข้าไปอุปธรรมวิบัติกรรมบางอย่างทําหน้าที่เบียดอย่างเดียวอย่าไปดีนักเลยนะคล้ายๆกับมีคนคนหนึ่งอนะมีผู้ที่อีกคนหนึ่งเข้าไปดูแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นตัวริษยานะมาคอยแต่เนี่ยจะโตมากกว่านี้ไม่ได้ดีกว่านี้ไม่ได้กรรมประเภทเบียดเบียนก็เป็นประเภทเดียวกัน อันในส่วนกรรมทั้งชนะ ก, ะกรรมกรรมที่ทำให้เกิดนะกรรมมาแต่งแล้วก็กรรมที่มาเบียดเบียนกรรมที่อุปถัมแต่ก็ยังไม่ถึงกับตัดรอนนะใครเคยเห็นกรรมตัดรอนบ้างรถเนี่ยนะเหยียบหัวดังปตะเลยนะแตกมียอมคนหนึ่งนั่งรถเครื่องซ้อนท้ายรถเครื่องนะทีนี้ก็ใส่เสือ้อเป็นเสื้อกันหนาวนี่ในระหว่างขับรถเนี่ยนะรถเครื่องก็ขับข้างๆรถสิบล้อไป เสื้อเนี่ยนะล้อรถสิบล้อเนี่ยมันก็เป็นอากาศใช่ไหมมันหมุนมันก็ดูดเสื้อเนี่เข้าไปก็ดึงศีษะลงไปแล้วก็ล้อเนี่ยเหยียบเรียบร้อยเลยอนี้เป็นน้องสาวเพื่อนอัน้เหลือแต่ตัวหัวไม่มีเลยมาให้สวดสวดก็หลายวันกันมันมันก็ เนี่ยคือกรรมที่เข้ามาตัดรอนแต่ที่เล่าอีกที่หนึ่งใชมมันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยมาตกอยู่เก็บใสายได้กระถ้วยหนึ่งเล็กๆเท่าถ้วยถ้วยก๋วยเตี๋ยวอ่ะนะสายได้เท่านั้นแหละมันสมองก็เหมือนกับแป้งอะไรนั้นพวกกรรมเนี่ยเล่นยากกรรมในอดีตแล้วทีนี้ว่าในกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะมันเล่นยากเหมือนกับความคิดตอนนี้แหละ ความคิดขนาดนี้ครบได้ไหมเป็นกุศลก็เป็นพักเป็นอกุศลก็พักสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วผลของมันจะมั่นคงขนาดไหนคิดดูใช่ไหมผลของเจตนาเหล่านี้จะไปมั่นคงอะไรนักหนาใช่ไหมเมื่อเหตุเนี่ยไม่มั่นคงผลก็ย่อมไม่มั่นคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่าปู่ของปู่ของปู่ของปู่ก็ตายมาหมดแล้วแม่ของแม่ของแม่ย่าของย่าของย่าตายมาหมดแล้วลูกหลานจะไปเหลือเลย มันก็ตายตามกันไปหมดนั่นแหละอันกรรมก็เหมือนกันมันมันอายุสั้นนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองอันผลของกรรมเนี่ยนะเราดูเหมือนมันยาวเหลือเกินนะมองกันเหมือนเที่ยงเลยอ่ะนี่คือในสายตาของเราเองอนะหรือว่าพวกยุงมันบินไปเจอกันมันโอ้เป็นยังไงยังอยู่เลยครับโอ้โหเหมือนกับอายุนานเหลือเกินเนอะใช่ไหมพวกไก่พวกอะไรมันก็อยู่มันเอ๊ะทีนี้ในสายตาของมนุษย์บอกว่าไอพวกนี้อายุสั้นมากอีกไม่ก็ตายแล้วใช่ไหม ทนี้ในสายตาของเทวดาชั้นจาตุล ม, มหาราชเขาอายุประมาณเก้าล้านปีมนุษย์ร้อยปีอะเหรอเราคงขำหน้าเดียวเลยนะแล้วทําไมมันสั้นขนาดนั้นน่ะเหมือนน้าค้างบนยอดยาดเนี้ยเดียวอะอาทิตย์ขึ้นมาหน่ยก็จางหายไปแล้วในสายตาของเทวดาชั้นดาวเดืองอีกโอ้โหมนุษย์เนี่ยมันยิ่งกว่างูแล็บลิ้นอีกมันสั้นขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมถ้าชั้นสูงสูงสูงสู ง, สงขึ้นไปเนี่ยมันจะขนาดไหน เพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับร้อยปีของเรานะถ้าชั้นสูงไปกว่า น, นั้นอีกนะสองร้อยปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาถ้าดูสินะสี่ร้อมมาารยปีเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขานั่นแหละนิมมานะรดีเนี่ยแปดร้อยปีเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาปรนิมิตวตวตสวัสดีเนี่ยเท่าไรพันหกร้อยเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาถ้ามหาพรหมด้วยไม่ต้องพูดเลย สวัสชั้นสูงๆขึ้นไปอีกพรหมชั้นเนวสัญญาณาสัญญาัตะนาเนี่ยแปดหมืนี่พันมหากับของเราเนี่ยนะอยู่ในในกามภูมิเนี่ยนะเาบอกว่ากระดูกของคนคนเดียวนี่ใหญ่ยิ่งกว่าเขาเวภาระบันพศันเวปุระบันพศแค่กระดูกของคนคนเดียวเนี่ยนะศพของคนคนเดียวถ้าไม่เผาไม่ไม่ย่างไม่บบไม่เน่าไม่สลายเนี่ยนะ มากกว่าะแล้วแปดหมื่นสี่พันกลับเนี่ยเขาแปดหมื่นสี่พันลูกอะใช่ไหมของเขาเนี่ยอยู่ชาติเดียวของเขาอยู่นะถือว่าชาติเดียวของเขาอันไหนสายตาของเนวสัญญานาสัญญายตนาของเราเนี่ยมันมันยิ่งมันสั้นจริงๆเลยนะมีเวลาที่น้อยมากนะเพราะฉะนั้นกิจที่พึงประพฤติก็คือความไม่ประมาทนะอ า, อายุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่สั้นเป็นของที่น้อย สิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงแต่ความจริงที่มีชาติเป็นธรรมดามีชรามีพยาธิมีมรณะมีโสกกะปบริเทวะทุกขโทมนัโอปายาเป็นธรรมดาอันนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่เป็นอารมณ์ของปัญญาอาวิชาก็เกิดแทนนี่ถ้าอาวิชาเกิดแทนเนี่ยนะถ้าอาวิชามันเกิดมากๆเข้าวันนี้นั่งดูไอ้สุนัขที่ที่บ้านโยมโกาา นี่มันโมหะชัดนมันก็นอนมันก็ไม่ได้คิดอะไรสักอย่างเลยนะหนักไปในทางอุทธจักกุกุจักใช่ไหมสมมตินในความคิดของมันจะคิดถึงอะไรบ้างนะ mm hmm. นะเราก็คิดไหมเออสุนัขมันก็เห็นเราก็เห็นเออถ้าสุนัขเห็นมันจะคิดยังไงจิตกี่ดวงที่จะทําให้คิดคือเราอย่าไปมองเป็นเรื่องเป็นราวแบบเหตุผลแบบเราคิดอะนะที่เป็นมัญญะมองโดยสภาวะประมามัดว่าในขณะที่สุนัขเห็นเนี่ยเออมันนอนคิดเนี่ย ันส่วนใหญ่ก็เป็นโลภะกับโมหะโลภะก็ประเภทอุเบกขาแต่ถ้าหากว่าขนาดที่มันหิว น, ะน้ำลายไหลเ ย, ยิดเนี่ยประเภทโสมนัสทีนี้ส่วนใหญ่ก็ประเภทโมหะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าได้อารมณ์แมววิ่งผ่านมาปั๊บโทสะเกิดทันทีเลยนะรีบกระโจนไปเลยโทสะมุตจิตก็เกิดสืบเนื่องอะเสร็จแล้วก็มานอนโมหะต่อไปอี วันๆก็อยู่อย่างนั้นนะแล้วแล้วเมื่อไรชีวิตชีวิตเส้นสุดแห่งความเป็นสุนัขครับออจากสุนัขจะไปไหนต่อเนี่ยก่อนจะมาจากสุนัขเนี่ยแสดงว่ามาไม่ดีแน่นอนแล้วถ้าจบจากสุนัขแล้วจะไปไหนต่อนะปฏิสนธิในภพใดกรรมอะไรที่จะให้ผลต่อไปอีกอก็บอกว่าโอ้โหมันมันน่ากลัวเหมือนเราเปียยเลยเราก็เหมือนกัน ถ้าเราปล่อยความคิดดูอะไรเพลินๆนะโดยสภาวะประมาทคือจิตเจตสิกแล้วเราไม่ต่างจากเขาเมื่อไม่ต่างจากเขาเนี่ยสาระที่พึ่งของเราคืออะไรนะถ้าหากว่าของเราไม่มีคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะเราจะปล่อยความคิดของเราอย่างนี้ไปอีกนะปล่อยทั้งกายกรรมปล่อยทั้งวจีกรรมปล่อยทั้งมโนกรรมเมื่อปล่อยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยงมาก็ตบแผลเข้าไป ปานาติบาตอยูแล้วนะเหตุให้ตกนรกและอายุสั้นทีนี้พอมาอายุสั้นใช่ไหมเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าลูกเกิดมาอายุสั้นเนี่ยมีลูกคนเดียวอายุสองขวบตายไงแม่จะเสียใจขนาดไหนนะบางคนเนี่ยร้องให้ขาควรอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ยมีลูกคนเดียวอายุแปดขวบกว็าตายไปป่าช้าอยู่ทุกวันไปร้องให้แม่มาแล้วลูกเอ้ยแบบนั้นนะ ก็เหมือนกันในหนังอะไปเคาะลงอยู่ทุกวันนั่นะป๊อกป๊ อ, ป, อปเวลากินข้าวแล้วจ้าเนี่ยยัอยู่นั่นเองร้องไห้เสียใจนั่นก็ทําให้พอชาติพอตายไปปั๊บเนี่ยตัวเขาเองก่อนจะตายเขาก็ทุกเต็มทีแล้วแล้วก็ยังพาความทุกข์ของคนรอบข้างให้ทุกตามไปด้วยนะอายุสั้นนั้นก็มาจากปานาธิบาสนั้นปานาธิบาสนั้นถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วนะถ้าสังวรสํารวมระวัง เป็นมหากุศลอย่างมากมายมหาศาลนันมหากุศลเหล่านี้ถ้าให้ผลให้ผลเป็นอย่างไรมหากุศลที่เกิดจากการสังวรสํารวมระวังให้ผลนะในหน้ายี่สี่ว่างไงบ้างในหน้ายีสี่กล่าวถึงอา น, นิสงส์ของการรักษาศีลข้อปานติบาตนะปานติปาตาเวรมณีถ้ากุศลจิตอันนี้เกิดขึ้นวิรัติงดเวน้นนะข้อความในคำพีอัตกถาอิติวุตกะ กล่าวเอาไว้นะถึงผลของการรักษาศีล น, นามาสำรวจตรวจตราดูร่างกายของเรานะว่าส่วนไหนที่มาเป็นผลของศีลของปาณ า, าติบาตบ้างอของการงดเว้นนะนะเช่นหนึ่งอังคะปันจังคะสมนาคตาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่เรียกว่าไม่ลีบไม่พิการเป็นต้นเนี่ยนะร่างกายสามสิบสองเนี่ยไม่บินไม่แหวงเรียกว่าเหมาะสมนั้นจะ อันนี้ก็หนึ่งเป็นผลของปุศลสีนอันนี้ด้วยสองอารหะปริณาหะสัมปติความถึงพร้อมด้วยส่วนสูงและส่วนกว้างสูงใหญ่เหมือนกันถ้าท่าทหารนี้เขาก็รับมันนะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็สามชาวนะสัมปติความถึงพร้อมด้วยเชาววัยนะชาววัยไหวพริบเดียมีปฏิภาณไหวพริบคือคนในขณะคิดจะข้ามก็เป็นโทสะใช่ไหม โทสะนี่ฉลาดไหมไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นสีลประเภทนี้เนี่ยถ้ารักษาได้ก็เป็นปัจจัยให้มีชาวนะชาวนะก็คือหมายถึงปัญญานั่นเองชาวไวคิดอะไรออกง่ายคิดอะไรก็เร็วแต่คิดอะไรช้าๆนี่ก็แสดงว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันแล้วก็สีสุปฏิทิตะปาทตาความเป็นผู้มีเท้าตั้งอยู่เหมาะสมนะบางท่านเนี่ยสูงต่ำของเท้านี่ไม่เท่ากันนะ มีขาอย e ู่สองข้างนะยังบางทีก็ยังไม่ค่อยจะได้ทวงดนกันดีเลยใช่มเดินเนี่ยสูงสูงต่ำต่สูงสูงต่ําๆเนี่ยบางคนก็เป็นลักษณะนั้นอนี่ก็เป็นผลของการทำปานาฏิบาติส่วนผู้ที่รักษาศีลข้อนี้ดีก็จะทำให้มีเท้าเหมาะสมเป็นต้นแล้วก็ห้าจารุตาสวยงามก็คือหน้าดูหน้าชมนั่นเองไม่ใช่ว่าเหลียวป๊บเนี่ยโหหลบได้แล้วก็ดีเลย อันนั้นน่ยถ้าผลของอากุศลจะเป็นอย่างนั้นนะคำว่ามองปั๊บเนี่ยอยากผ่านไปเลยเห็นครั้งเดียวก็พอละแต่ถ้าผลของกุศลเนี่ยเออเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกไม่รู้จักอิ่มจักพอก็เหมือนกับกุศ ล, ลจิตใช่ไหมถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนที่กุศลแจิตเกิดบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ใครก็อยากเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าหากว่าอากุศลจิตเกิดเนี่ยนะได้ยินแค่เสียงปั๊บเนี่ยหลบไปสักพักก่อนนิกว่าเผื่อมันจะระ ง, งับระ ง, งับหน่อยค่อยมาใหม่เพะั้นอากุศลเนี่ยมันน่ากลัวมากนะ ผลของอากุศลทําให้น่ากลัวถ้าผลของกุศลก็จารุตาสวยงามต่อไปน้ํามุทุตาก็คือความเป็นผู้อ่อนโยนคนที่ทําบุญประเภทงดเว้นจากการฆ่ามากๆจะทําให้เป็นคนลักษณะอ่อนโยนแล้วก็สุจิตาเป็นคนสะอาดถ้าคนหมกมุ่นกับการฆ่าเนี่ยนะไม่สะอาดแน่นอนแะล้วกมือเปื้อนเลือดเนี่ยไม่สะอาดอยู่แล้วนะ ครั้งหนึ่งเคยเดินผ่านซอยซอยหนึ่งโอ้โห oh. เป็นซอยที่ค่าข้าไก่อู้เ oh, oh. ข่าทั้งซอยเลยนะแค่เดินเฉียดลงไปเนี่ยแทบอาเจียนเนียแล้วก็คือคือรู้จักคนเนื้อข้างหลังซอยอ่ะมันก็ต้องเดินไปไกลอ่ะโอ้ oh, รับคันทารมซึ่งเป <laughs> ่นเข่านะเป็นอากุศนในบากทั้งซอยเลยนั่งอยู่ชั่วโมงหา ย, ายใเข้าออกก็เป็นอย่างนั้นเลย เหมือนกับไปที่แถวแถวเล้าหมูใหม่ๆเนี่ยนะกลิ่นมันติดตัวตลอดเลยท่านอาจารย์รู ป, ปัดบอกว่ า, อาโอ้โหผมเนี่ยคันธารมมีตลอดเลยเนี่ม <c oughs> อันถ้าหากว่าขณะที่ทำปาณาติบาต ท, ทำอากุศลเนี่ยนะยิ่งแบบแบบประมงอะนะขณะที่ผู้อาชีพประมงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จ ะ, ะก็ไม่สะอาดอันเวลาทำเหตุก็ยังเหตุที่ไม่ดีตรงกันข้ามกั บ, บรักษาศีลใช่ไคนรักษาศีลเนี่ยตรงข้ามนาเนี่ยสะอาดนะ จะตรงกันข้ามผล ก, ก็ตามสมควรกับเหตุด้วยแล้วต่อไปนะสุรตาทำให้กล้าหารนะศีลข้อนี้ก็ทำให้กล้าหารดีด้วยแล้วก็เก้ามหาภราตาความเป็นผู้มีกำลังมากใครที่อ่อนระหอยรยแรงนี่ก็เพศกรรมประเภทนี้ทำไว้บ่อยนอะแล้วก็สิบวิสัถาวจนะตาความเป็นผู้มีถ้อยคำสละสลวยนะถ้าคาสับเนี่ย คำพูดของคนฆ่าเนี่ยพูดสละสลวยไหมนะอุปนิสัยอันนั้นเนี่ยก็ถือเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าศีลที่งดเว้นจากปาณาติบาตก็เป็นใจที่ประกอบด้วยความการุณาเป็นต้นดะนั้นคำพูดที่เกิดจากความการุณาจึงเป็นคำพูดที่สละสลวยด้วยนะแล้วก็ต่อไปก็สัตตาลังปียามะนาปตาความเป็นผู้น่ารักน่าพอใจของสัตว์ทั้งหลายใครเห็นใครก็ชอบนะหวังการมาของเขาอ่ะ คล้ายๆคนมีบุญก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าคนมีบาปเยอะๆเมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะไปสักทีอย่น้นนั้นถ้าผลของบาปเนี่ยมันมันลำบากนะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็เราก็สั่งสมไว้พร้อมด้วยนะแล้วแต่อะไรจะให้ผลนะ่ะต่อไปนะอภิชชา ป, ปริสตาความเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกคือถ้าหากว่าคนยิงนกใช่ไหมยิงเข้าไปเปรี้ยงเดียวเนี่ยวงแตกเลยนกอะ่ะ เพราะนั้นกรรมประเภทนี้ก็เหมือนการใครทํากรรมประเภทฆ่าเนี่ยนะมีลูกมีหลานก็แตกแยกมีแต่แตก แ, แยกอย่างเดียวอันถ้ารักษากุศลประเภทนี้ดีนะบริษัทไม่แตกแยกรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอดีเรามีหมู่คณะเป็นสังคมที่ไม่แตกแยกรักษาศีลข้อนี้ดีเราจะได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยแตกแยกมากนะแต่ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีนะเวลามันมาให้ผลมันแตกแยกอะ่ะก็บอกว่าเรื่องไม่น่าแตกมันก็แตกอะ่ะ เรื่องไม่น่าทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องอย่างั้นมันก็ส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมด้วยส่วนเป็นอุปนิสัยมาด้วยแล้วก็อาช am พิตาความเป็นผู้ไม่สะดุ้งวาดเสียวนะคนคนที่ฆ่าศัตดิ์บ่อยๆเนี่ยนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างสะดุ้ ง, งอ่างไรอ่าเขาบอกว่ามือปืนนะถ้าไปฆ่าใครมาสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหกว่าจะนอนหลับจริงสนิทนี่ก็หลายอีกหลายวัน เขาเล่าว่าอย่างนั้นมันระแวงตลอดนันก็ต้องกินเหล้าย่ อ, อกินเหล้าย้อมใจไปเรื่อยๆให้มันเมาให้มันลืมไปมันบางทีเนี่ยที่เขาได้ข่าวมานะประเภทคนที่ทํางานประเภทค้าคาจะเป็นลักษณะนั้นหาความสุขค่อนข้างยากหลับไม่ค่อยสนิทสะดุ้งหวาดเตียวหวาดระแวงนะได้ยินเสียงแท๊กหนึ่งม น, นก็ระแวงและนะถ้าคนมีสีนเนี่ยโอยฟ้าจะถล่มยังเฉ ย, ยอยู่เลยใช่ไหมคนไม่มีสีนเนี่ยโอ้ยมดมันตายแทกๆอะไรวะเนี่ย <c oughs> เสียวตลอด แล้วก็ต่อไปนะทุบประทางศสียตาความเป็นผู้อันใครๆกำจัดได้ยากศสียนข้อนี้นะถ้ารักษาสายสียนข้อนี้ดีเนี่ยไม่ต้องคิดว่าใครจะกำจัดได้ไม่มีใครกำจัดได้หรอกแต่ถ้าหากว่ารักษาศสียนข้อนี้ไม่ดีนะไม่ต้องมาให้ใครกำจัดหรอกนั่งอยู่เฉยๆเนี่ย ก, ก็ถูกกำจัดเองอะไรกรรมมันเบียดเองอะ่ะทีนี้ต่อไปนะป ร, ะรู ปักกเมนาอมรณตาความเป็นผู้ไม่ตายดับด้วยการปองร้ายของผู้อื่นบางคนเนี่ยจะถูกตายเพราะการปองร้ายของคนอื่นนี่ทำให้อายุสั้นแต่ถ้าศีลข้อนี้ดีนะถึงเขาปองร้ายยังไงก็ไม่ตายใครเคยได้ยินประวัติของโคสกะเสถีเนี่ยโคสกะเสถีเนี่ยพอคลอดออกมาปั๊บเนี่ยแม่เนี่ยเอาไปทิ้งเลยเพราะว่าไปเกิดเป็นลูกของโสเพณีสมัยก่อนเนี่ยโสเพณีเนี่ยพอคลอดลูกก็เอาไปทิ้งเพราะว่าถ้าเป็นลูกชายนะ ้าเป็นลูกสาวก็เลี้ยงเอาไว้นี่พอเอาไปทิ้งปั๊บเนี่ยเพราะความที่กรรมที่ท่านเคยเห่าพระประเจกดูแลพระประเจงเนี่ยก็หล่อเลี้ยงไว้อย่างดีพวกสัตว์บางอย่างเขามาคอยป้องกันอย่างดีจนถึงกับหลายครั้งมากถึงเขาปองร้ายถูกวางแผนฆ่ามาหลายครั้งก็ไม่ตายอันนี้ก็เป็นผลประเภทศีลประเภทเนี่ยนะเห่าพระประเจกไว้สมัยที่เกิดเป็นหมานะย เกิเป็นหมาก็เห่าพระได้บุญกันนะเห่ารักษาไม่ใช่เห่าโกรธนั่นนะมีหมสายหนึ่งไปบินทบาทนะมันก็เจอกันตั้งหลายเดือนเห่าอยู่ได้ทุกวันไ่นไหะเห็นหน้าพราเห่าทันทีเลยอ่ะมันเห่าแบบโทสะนะเห่าแบบไม่พอใจอ่ะเอ๊ะมก็แปลกนะหมาที่อื่นเอ๊เราก็เห็นมันเห่าครั้งสองครั้งมันก็เลิกแล้วนะอันนี้มันเห่าอยู่ได้ทุกวันโอ้โหทีนี้มันเห่าอยู่เดือนกว่าหายเงียบไปเลยไม่รู้มไปไหนแล้ว กันเลยเนอะเออขอให้ไปดีเธออะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหมอชีวกเนี่ยหมอชีวกนี่ก็ถูกทิ้งเหมือนกันนะหมอชีวกนี่ก็ก็น้าน่าสงสารเหมือนกันนะถูกแม่เอาไปทิ้งแต่ก็ไม่ตายแล้วนะเขเลยเรียกว่าชีวกว่ายังอยู่ไหมบอกเออยังอยู่เออเอามาอะไรเลยเรียกชื่อว่าชีวกเลยนะเพราะฉะนนั้คนที่ขนาดเขาวางแผนฆ่าฆ่ายัางไงก็ไม่ตาย บางคนก็บุญประเภทนี้มาดีแต่บางคนเนี่ยนะพอบุญประเภทนี้คนคนอื่นปองร้ายแล้วไม่ตายเสร็จไปเที่ยวปองร้ายคนอื่นไว้แต่แล้วก็เหตุประเภทนี้มันให้ผลคืนเนี่ยนะเหมือนกับนนะบางคนหลายๆกลุ่มเนี่ยข่ากันไปข่ากันมาข่ากันไปข่ากันมาอยู่นั่นแหละทำเหตุแห่งอายุสั้นเอาไว้ทีนี้อายุสั้นตอนที่ทำชั่วนะค่อ ย, ยังชั่ว่ใช่หตายเร็วๆก็ดีจะได้ทำบาปน้อยๆหน่อย แต่ทีนี้กำลังทําดีรีบตายเนี่ยตีแย่เลยบางคนรีบจะมารักษาตีนฟังทำเท่าหน่อยเนี่ยอายุสั้นแล้วที่รู้จักคนหลายๆกลุ่มพอสมควรเนี่ยนะก็จะมีเริ่มมาศึกษาธรรมะหน่อยก็เอาและก็ปอดก็แปดเดี๋ยวก็ตายแล้วแต่ตอนที่ทําชั่วเนี่ยโอ้ยทำไมอายุยืนยาวจังไม่รู้บางคนเป็นลักษณะนั้นน่าสงสารนะชีวิตเนี่ยช่วงที่กําลังเจริญกุศลได้ดิบได้ดีเป็นกุศ ล, ลจิตค่อนข้างเกิดต่อเนื่องหน่อยชีวิตเป็นสาระมากหน่อย ก็อยู่ไม่ทนซะอีกแต่พอยู่ทนๆ น, นี่ก็ชีวิตก็ไม่ค่อยจะมีสาระซะอีกทีนี้ต่อไปนะมหาปริวารตาความเป็นผู้มีบริวารมากก็คิดดูนะถ้าคนคนมคักฆาเนี่ยใครอยากไปนั่งใกล้บ้างนั้นรักษาศีลข้อนี้ดีใครก็อยากนั่งใกล้ใช่ไหมคือคือปลอดภัยแน่นะชีวิตเราปลอดภยัยบ้างแล้วก็สิบเจ็ดนะสุวรรณตามีผิวพันณ์เหมือนทอง แ้่ว่าผิวคนแบบคนเอเชียป่ ะ, ะผิวเหลือง น, นเอเียนี่เป็นผิวเหลืองๆ อ, ออกทองๆหน่อยนะสุ <c oughs> สามทานตานะเป็นผู้มีส้วนสงงาหุ่นดีนะแล้วก็อัพพาทตาความเป็นผู้มีอาพาธน้อยโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเบียดเบียนแล้วก็ยี่สิบอโศกตาไม่เศร้าโศกแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะ ปิยมานาเปหิอวิปโยคตาความเป็นผู้ไม่พลัดพลากจากของรักของชอบใจแล้วก็สุดท้ายทีคายุตาเป็นผู้มีอายุยืนถ้าหากว่าข้านะไอวิบัตตรงกันข้ามเนี่ยนะยี่สิบกว่าข้อที่ให้ผลหมดเลยนะถ้าทำอกุศลประเภทปานาธิบัตินะตรงกันข้ามอันนี้แหละลองมาไล่ดูว่ามันเข้าข้อไหนบ้างนั้นแหละ การดูดูแลเรามาสํารวจดูเนี่ยจะหาสมบูรณ์ทั้งยี่สิบสองข้อทูกสิ่งไม่ค่อยมีกระพองกระแพงบ้างอแสดงว่ากุศลก็กระพองกระแพง อ, ะอ่ะแสดงว่าเราก็ฆ่ามั่งไม่ฆ่ามั่งเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างเป็นพักๆเลยนะอเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็ยุงมากัดก็เป่าๆกันไปนาะ ควาจริงมันกินมือเดียวนะในชีวิตมันอ่ะมันมันมีโอกาสได้อิ่มเพียงมือสองมือนันนะแล้วมันก็ตายเลยนะอิ่มเดียวอ่ะพราะมันหกเจ็ดวันนะมันตายแล้วก็ยุงเมีอายุเท่านั้นนะครับจะให้มันยาวนานแค่ไหนครับเท่านั้นนะแล้วมันนานจะได้กินนะขนาดนานนาจะได้กินนะก็บ้องไฟฟ้าหัวก็ไปทิ้งอ่ะนะตายหาเครื่องดักบังแปะแปะแปะแปะแล้ใครคิดประดิษฐ์เครื่องดักแมลงนี่โอ้โห น่ากลัวมากเลยนะครับรรแล้วไปซื้อมาติดมาติดไว้แล้วมันดังพอแพะพอแพ้พรแพ้บ้านคุณวิลาวันมีป่าวไม่มีสาธุาดีแล้วอะเผื่อจะอายุยืนบ้างยืนมากไม่ไหวค่ะค ว, ความสุขด้วยเนะม่มีความสุขนั่นแหละแต่ถ้าเบียดเบียนสัตว์ไว้เยอะๆเนี่ยนะถึงอายุยืนก็ป่วยบ่อยแต่ถ้าไม่เบียดเบียนสยัตว์เนี่ยนะถึงอายุยืนร้อยิบปีก็สบายๆเลยนะ าพระภากูณเนี่ยอายุร้อยหกสิบปีเนี่ยไม่เคยกินแม้แต่สมอชิ้นเดียวสุขภาพดีมากบวชเมื่ออายุแปดสิบไอตอนอายุแปดสิบเนี่ยไม่ได้บอกก็คือท่านอายุร้อยหกสิบใช่ไหมบวชอีกแปดสิบพรรษาตอนแล้วท่านไม่เคยมีคนต้องมาเดือดร้อนเพราะท่านแม้แต่นิดเดียวสบายแลย้วไม่ค่อยจะแสดงทําอะไรเท่าไหร่หรอกเป็นพระสบายๆอะ่ะเป็นพระราหารด้วยบวชได้เจ็ดวันเป็นพระราหารนี่ท่านท่านมีบุญมาก แล้วที่เรียกว่าพระพากุลเนี่ยเป็นพระสองตระกูลเข้า ม, มทเรียกว่าเป็นเป็นพระลูกตระกูลใหญ่สองตระกูลอ่ะคล้ายๆที่จริงอ่ะตัวเองเนี่ยสมมติว่าเป็นลูกของเศรษฐีเมืองเชียงใหม่ใช่ไหมอาบน้ําอ่ะว่าอาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปลอยก็เนี่ยปลาเนี่ยกลืนเสร็จแล้วไปโผล่ที่กรุงเทพเนีกรุงเทพก็จับปลาได้ก็ไปค้าให้ลูกเศรษฐีไปค้าให้ภรรยาเศรษฐีเศรษฐีก็พามาก็ได้เด็กไงก็เลยกลายเป็นสองตระกูลเลยก็เอา เขาเรียกว่าทางนี้รู้ว่าลูกไปอยู่ทางโน้นแล้วก็ฟ้องร้องกันนี้ก็แบ่งกันอยู่อยู่โน่นทีอยู่นี่ทีนะจนอายุแปดสิบยิงบวชแต่ว่าท่านเป็นคนแข็งแรงมากไม่เคยป่วยเลยอ่ะคนในสุขภาพดีขนาดนั้นก็ไม่รู้เนาะสุขภาพเนี่ยไม่เคยป่วยก็ว่างันถ้าสมัยนี้เกิดมาพา ร, ราไม่เคยกินแม่แต่เม็ดเดียวคิดดูนะบวช7วันแล้วเป็นผ้าอาหารเนี่ยสติ ป, ปัญญาจะขนาดไหนไม่ต้องพูดว่าหัวท่านดีขนาดไหนเป็นคนที่มีบุญมาก เศรษฐีสองตระกูลนะ่ยนะมีแต่สบายอย่างเนี้ยความสุขเนี่ยนะมีคนคอยเอาใจทุกอย่างหิวหรือยางอะไรต้องมาถามอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยหิวแล้วนะเมื่ อ, อไรจะได้กินอ่ะตรงกันข้ามกันได้ไหมบางคนมีบุญกับคนไม่มีบุญนี่มันคุยกันยากนะคนหนึ่งเอาหน่อยหนะ้าถ้าคำหนึ่งหน้าอีกคนหนึ่งบอกขอตะคำหนึ่งเธออย่างเงี้ยนะตรงกันข้ามหมดเลย <c oughs> อย่าประมาทในบุญอย่าประมาทในกุศล <c oughs> ไปศึกษาในพากุลเทระประทานดูกัแล้วกันประวัตินะเป็นผลของบุญอ่ะเชื่อทําบุญเยอะๆถูกแน่นอนเลยไม่ผิดหรอกข้อปฏิบัติไม่ผิดก็คือทําให้จิตให้เป็นกุศลนั่นแหล ะ, ะนั่นแหละอกุศลเนี่ยละได้เนี่ยนิวิเศษที่สุดเลยนี่นแหละแต่ก็คือเป็นกุศลประเภทเป็นไปกับทานศีลภาวนาอะนะกุศลที่ไม่ค่อยป่วยไข้ก็คือบุญประเภทอนะให้ทานยุกยาเป็นต้นนั่นแหละนั่นแหละบอกว่ า, วา ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยทําเหตุประเภทเบียดเบีย น, นสตัตว์ไว้เยอะๆนะนก็ทำให้ป่วยในขณะเดียวกันก็ทําบุญประเภทยาไว้เยอะเนยยาก็เลยมีเป็นกระตักๆไว้ันศึกษากายวาจาใจให้ดีนะครับอะไรที่มันเป็นโทษเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีตาดีนะเวลาเดินเนี่ยจะเลือกเดินไหมถ้าถอดรองเท้าเดินเนี่ยจะเลือกตรงไหนจะเหยียบไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยก็จะระวังงัน ก็ถ้าเหยียบพลาดแล้วไปเหยียบเศษแก้วเศษกระเบื้องอะไรจะเกิดขึ้นไแผลเนี่ยเลือดไหลสกั น, นนะคนที่ศึกษาเรื่องกรรมเนี่ยแม้แต่จะพูดสักคำหนึ่งก็จะเลือกพูดแล้วอะไรสมควรพูดพูดแล้วเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมนะถ้าทำพูดคิดอะไรแต่ละอย่างเหล่านี้ก็เหมือนกันจะมีการวิเคราะห์นะพอวิเคราะห์มากๆขึ้นก็จะเป็นปุญญาที่สังขาร กุศลจิตเกิดบ่อยกุศลจิตเหล่านี้นี่แหละเป็นพื้นฐานของการเจริญวิปั ส, สนาเป็นอย่างดีอถ้าหากว่าเราไม่มีฮิริโอตะปาะนะวิปั ส, สนาไม่รู้จะเจริญไปทําไมก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมดีมากๆขึ้นจะทําให้เราเติรนตัวเราจะไม่ปล่อยให้ความคิดเนี่ยไหลไปกับเรื่องที่ที่ไม่ควรเลยเราจะรักษาระวังความคิดมากานะความคิดแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยพระองค์ตรัสว่า เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะในการคิดก็คือคิดความคิดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์นะเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นต้นนะเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อความสังเวชสำรวมระวังเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อทนิพานนั่นเองังั้นความคิดเหล่านั้นก็คือประเภทเนคขมวิตกอพยาปาทาวิตกอวิหิงสาวิตกคือยังไงเราก็คิดอยู่แล้วใช่หม เพียงแต่วันเลือกความคิดเท่านั้นอะไรควรคิดไม่ควรคิดก็เหมือนอาหารเนี่ยใครไม่ทานบ้างก็ทานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเลือกทานอาหารอย่างไรที่จะไม่มีโทษกับชีวิตกันเลือกที่เราคิดก็เหมือนกันแต่ถ้าเราสามารถที่จะเลือกคิดได้เราก็เลือกเกิดได้เลือกคิดได้เลือกเกิดได้เอดได้เลือกคิดได้เลือกเกิดได้นั่นแหละถ้าเลือกคิดยังไม่ได้นะอย่าคิดว่าจะเลือกเกิดได้ เพยังไม่แน่นอนอ่ะก็เหมือนกับรถนะถ้าเราบังคับพวงมาลัยได้เนี่ยถึงที่หมายได้แต่ถ้าพวงมาลัยบังคับไม่ได้เนี่ยไม่แน่นะมือลุยไปเฉี่ยวเอาอะไรนักแล้วใช ไ, ไม <c oughs> ความคิดเราถ้าเราควบคุมความคิดได้เป็นความคิดที่เป็นไปกับศรัทธาศีลสุตะจาระคะปัญญาะเราควบคุมความคิดเหล่านี้ได้ปาถนาอะไรอ่ะพระปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสําเร็จเลย ย่าว่าธรรมดานี่เลยย่าว่าตะวันเลยซึ่งมันของเรียกว่าใกล้ใกล้าบอกว่าปรารถนาเป็นพระพูทธเจ้าอย่างสําเร็จเลยอันบนเนี่ยจะช่วยทําให้สัาสำเร็จเพียงกับเปลี่ยนสับใหม่นะแล้วแต่ความคิดว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษไม่ประทุษร้ายหรือว่ามีใจผ่องใสแล้วเนี่ยนะเวลาพูดก็เป็นคําพูดที่ดีใช่ไหมเวลาทําก็เป็นการทําที่ดี ผู้ ด, ดีก็คือกุศลทางวาจานั่นเองทำดีก็คือกุศลที่เป็นกายกรรมเมื่อผู้ ด, ดีทำดีคิดดีอย่างนี้เข้านะความสุขก็จะติดตามเข้าไปเหมือนกับเงาติดตามตัวแต่ถ้าทำอะไรที่มันทุกข์มากๆนะก็เหมือนกับล็อกเวียนอ่ะที่หมุนตามรอยเท้าโคนนะหลากไอ้คนคนหนึ่งเนี่ยนะเดินเหมือนกันเขาเดินตัวสบายเลยอ่ะอีกคนหนึ่งโหแบกทับสมภาระหน้าดูเลยอัในสถานที่เดียวกันเนี่ยนะ อีกคนหนึ่งตอ้องเหนื่อยมากอีกคนหนึ่งเนี่ยสบายมากเลยสมมติเช่นเรานั่งอยู่บนรถเนี่ยใช่ไหมอีกคนหนึ่งโอ้ยทุกข์มากนะเหนื่อยอีกคน er หนึ่งนั่งสบายไปอีกแข่งหนึ่งใช่ไหมอีกคนหนึ่งสบายอีกคนหนึ่งทุกข์อย่างกับพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยนั่งรถเนี่ยพ่อบ้านก็ขับโตดูอลไอย่างเงี้ยไปถึงแม่บถึงบ้านเนี่ยแม่บ้านนั่งนิ่งไม่ได้เลยพ่อบ้านเนี่ยนั่งสบายมันเล่นพักๆนะคนเราแสดงว่าทํากรรมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมกัน อันนี้บากอีกคนหนึ่งกำลังสบายมีความสุขอีกคนหนึ่งก็ทุกข์ละ